ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลวมปพิยานกำลังนำเสนอเรื่องมหาสติปฐานหรือสมาสติแต่ว่ามักขยายออกไปโดยพิสดารตามหลักในมหาสติปทานานสูตรที่ทรงแสดงไว้แล้วก็ปรากฏอยู่ในพระสูตร ที่คณิกายคืเรื่องค่อนข้างยาวก็มีประเด็นที่น่าทําความเข้าใจไว้ในตอนต้นก็คือว่าที่จริงอารมณ์ทั้งหมดที่เรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเวลาท่านพูดโดยสรุปเนี่ยท่านบอกว่าพิจารณากายเห็นว่ากายนี้ก็สั์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตั ว, ไ ม, ตวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาก็าเรียกว่ากายานุปัสนา เป็นต้นเน่นะครับท่านบอกว่าการที่พระพู้มีพระภาคยาวสั์เทศนาสติปัฏฐานไว้เปีย4สี่ข้อเนี่ยพื่อเกือกูลแก่เวนยสั์คือสัตติสามารถจะพูดจากันรู้เรื่องแนะนำกันได้เนี่ยพราะบรรดาชนที่ทั่วไปเนี่ยท่านจะเรียกเป็นจริตนะคือจริตบางท่านอาจจะเจอจริตหก เวลาค่าจริตโทสะจริตโมหจริตศรัทธาจริตนะฮะพวกพุทธิจริตแล้วก็วิตกจริตแต่ว่าในที่นี้เป็นเน้นที่จริตสองประการประการหนึ่งก็คือตัณหาจริตมีจิตกำหนัดและครายพอใจเพื่อเพลินชื่นชมยินดีอยู่ใน รูปธรรมเอ่อรูปธรรมที่ที่ที่เห็นได้ด้วยตานะจะสัมผัสได้ทรรมศาสารสัมผัสเนี่ยพอใจจิตใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเย็นร้อนนนแข็งที่ใจตนที่ที่ตนได้สัมผัสแล้วก็มีการสยบติดจุดในเรื่องเหล่านั้นเช่นพอใจในรูปสวยๆเสียงไพเราะกลิ่นอหอมหอมรสอร่อยสัมผัสที่น่าจับต้อง แล้วสุดเป็นสุขใจตีใดไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเดียวกันดิ่แนวหนึ่งเป็นทิฏฐิคือเป็นความเห็นในลักษณะจิตเนี่ยถ้าเรามองว่าที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ว่า <c oughs> ผู้ใดจักระวังจิตซึ่งเที่ยวไปในที่ไกลทเที่ยวไปดวงเดียวไม่มีสรีระมีทั้งไปร่างกายนี้เป็นที่อยู่อาศัยได้เนี่ยผู้นั้นจะพ้นจะาบวงแห่งมาน พราะจิธรรมชาติให้ลองสังเกตดูนะฮะแม้แต่เราเองในชีวิตรประจําวันเนี่ยก็เหมือนกันเช่นสมมติบบรเราจะไปซื้อของที่ตลาดเนี่ยเดี๋ยวของมันมีนานาชนิดเดี๋ยวของชนิดเดียวกันก็มีหลากหลายด้วยสีด้วยขนาดอะไรต่างๆเราก็เดินหมุนเลือกกันอยู่อย่างงั้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่า ใจมันสายมันดิ้นคืออยากได้ทั้งหมดอได้จริงแต่ว่าเงินมันมีไม่พอสุดมันก็เลือกนะฮะเลือ ก, กันไปเลือกกันมาบางทีก็เลือกแล้วเลือกอีกอย่างเงี้คือเดินไปเดินมาเพื่อจะตอบสนองความต้องการความอยากที่บังเกิดขึ้นเพราะาเราจริงพบสิ่งเหล่านี้ว่ามีความหลากหลายคือมีการปรุงแต่งเนี่ย แม้แต่พัฒนะแม้แต่เรื่องบางเร่อยังเคยเห็นเขาเล่นตะลุมมุกนะฮยยังนึกว่าเออมนุษย์นั่ก็หาเรื่องไงตัวเองเดือดร้อนตะลุมมันยายแล้วก็เรียงกนไปแค่ข้าก็ยอดเจดียนะ์แล้วต้องหลายไปอะ่ะแต่นึกมออกว่ามันไปเก็บไปทําอะไรรุงรังปรเปล่าๆเสียเวลาปเปล่าๆจะกินพื้นที่จะใช้สอยอะไรก็มันนา น, านจะใช้สักครั้งหนึง่ง แล้วเป็นการใช้เพืเสริมอัตตาอัตตาของคนนะฮะยิ่งคนยิ่งยายิ่งโตต้องฉันกระโตมาอย่างพระผู้ใหญ่น้องฉันกระโตต้นฉันตะลุมมันก็ไม่ได้มีอะไรขึ้นมานะอาหารก็ไม่ได้ ร, รอยพิเศษอะไรขึ้นมาไม่ได้อิ่มพิเศษอะไรขึ้นมาแต่ว่ามันเป็นตระหนัจริตมันต้องการได้ต้องการมีต้องการเต็นแล้วก็เพลิดเพลินสนุกสนานเกี่ยวกับสิ่งนั้น รู้สึกว่าตนได้ตนมีตนเป็นเพราะนันวันนี้จะ ข, ขวายคว้าไปเรื่อยๆแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เมื่อไปอธิบายชี้แจงให้เห็นว่าร่างกายนี้มันก็ไม่มีอะไรในสุดมันก็ต้องแตกดับไปเป็นธรรมดาพวกนนี้จะวิวคว้าโอสุ ข, ขเวทนาความสุขในชั้นต่างๆก็ว่าไปเรื่อยๆนคะว้าสุขไปเรื่อยๆ สุขของคนธรรมดาสุขของเศรษฐีสุขของราชาสุขอะไรก็ว่าไปเรื่อยนะว่าไปเรื่อยจนสุก ข, ของเทวดาแทวของสุขของพระองแกก็ว่าไมเรื่อยอันนี้คือจิตเนี่ยจิตมนุษย์มันก็วิ่งกับมัอนอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นมาทํำยังไงถึงจะไปสกัดไเรื่องเหล่านี้ได้ด้าทิฏฐิความคิดเห็นก็เหมือนกันคือว่าเราจะเห็นว่าความเห็นของมนุษย์เนี่ยบางทีนี่ตัวตนของเราเนี่ยนะ ตัวตนขอเราที่ถือว่าแนวสัตตตถิธิเนี่ยบางพวกไปถือว่าเช่นนายกรเนี่ยตายไปกี่ครั้งก็เกิดเป็นนายกรรูปร่างหน้าตาอย่างเงี้ยอีพันก็อย่างเนี้ยอายุก็อย่างเนี้ ย, ย, ย, น, ยนั่นคือแสดงว่ากายมันเที่ยงไปด้วยแทนที่จิตจะเที่ยงทั้งเที่งตั้งกายทั้งจิตไปเลยนั่นก็พวกหนึ่งแต่พวกหนึ่งเนี่ ย, ยบางทีเนี่ย มันก็ไม่ได้ถือว่าเที่ยงขนาดนั้นแต่ถือว่าไอ้สุกเวทานาในระดับเทวดานี่เที่ยงระดับฌานเป็นต้นในเที่ยงมันก็คว้าในสุขเวทานาตรงนั้นแล้วบางทีมันก็ไม่ได้ไปติดขนาดนั้นคือถือว่าจิตเที่ยงอันนี้เป็นความเห็นละขวามเว้นจิตเป็นของเที่ยงแท้เป็นของเดินทางจากโลกจากพรมมามาสู่มนุษย์อะไรก็ว่ากันไปแนว ในศาสนาที่มีเทพเจ้าเป็นพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายเนี่ยมันก็แนวอย่างงั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเกาะติดอยู่ที่จิตทีนี้พอสอนจิตเข้ามาเนี่ยแกก็ไปหาที่เกาะใหม่คือไปหาเกาะที่ธรรมตือธรรมะเป็นของเทียนแพ้ยังย่งยืนไม่แปรผันก็ว่ากันไปอีกอ่ปะปัญธรรมเทศนาในแนวเนี้ยพระเจ้าทรงแสดงไว้ว่ามันเป็น ก็เรียกว่าสมถยานิกคือคนบางคนเนี่ยมันใช้หลักของสมถะเป็นแนวในการประพฤติปฏิบัติบางพวกก็แนววิปัสนาญานิกคือต้องใช้ปัญญาในการพินิจพิจารณาแต่ทั้งหมดนั้นที่จริงมันมาจากอาการขอนตนามานาทิฏฐิที่มีอยู่ภายในจิตใจของคนเนี่ยวันเมื่อเรานามาย่อยเนี่ยจะเห็นว่า ก็แบ่งเอาได้ระหว่างผู้มีปัญญาอ่อนกับผู้มีปัญญาเฉียบแหลมแต่ว่าไอทิฏฐิกับตัณหานะเป็นหลักนะฮะรยตัหามาหน้าทิฏฐิแต่ตรงนี้เน้นที่ตัวตัณหาจะต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นทิฏฐิก็เห็นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นตัวตนเขนแพ้ถาวรตดนเป็นขันหาขันห า, นหาเป็นตนตนนี้ในขันหาขันห า, นหามีในตนก็ว่ากันไปก็ตายไปเยอะแยะไปหมดเลย ที่จริงรุงรังนั่นดูนะฮะความคิดความคิดของท่านเหล่านี้ถ้าเราไปศึกษารายละเอียดต่างๆที่พระเจ้าทรงแสดงไว้เั่นโทธิเถี่ยวสิบสองในทีการกายเนี่ยก็จับแยกยังไม่เคยออกเลยบางทีตั้งเห็นก็มัวกันไปหมดเลยจะสับสนปนเปรเป็นเรื่องความรู้ที่ไม่ชัดเจนแจม่มแจ้งแล้วก็เอาอะไรไปผูกโยมกับอะไรก็รุงรังกันไปหมด ทีการวางกรรมฐ า, านเหล่าเนี้ยมันก็เป็นข้อนําเสนอให้เลือกในรูปที่เรียกว่าหลังเงื้อชอบหลังยาคนสามารถที่จะปฏิบัติถนัดในเรื่องอะไรล่ะแล้วลกแแนะ็แล้วแต่นะตัวอย่างเช่นอนาปานสตินี้บางคนไม่ถนัดตามลมตามไม่ทันนะตามลมหายไปเลยหรือว่าบางทีใจมันตเตลิดไปไหนก็ไม่รู้ตามไม่ถนัดมันก็ต้องใช้วิธีนับ แต่างนับลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันก็ไม่ถนัดอ่ะถนัดมันก็ต้องตายอัระดับมาจากนับรูกประคาอะไรตอะไรไปก่อนเอาอะไรมานับไปก่อนเนี่ยเป็นก้อนๆเป็นชิ้นๆแหละเพื่อสามารถกําหนดได้ตรวจสอบได้แต่แนวนับรูกประคาเนี่ยมันเป็นแนวที่คือมันลงตัวรูกประคำเนี่ยมันมีร้อยแปดลูกเราก็นับไปเลยหนึ่งสองสาสี่ห้เจแปดเก้าสิบเนี่ยนับไปก่อน แต่บางทยุ่งๆเหมอนกันนะลูกประคำร้อยแปดลูกเรานับได้แค่ร้อยสองนั่นเองบางทีนับไปได้ทั้งร11้อยสิบร้อยสิบเ็ดอะไรต่อะไรเนี่ยคือแสดงว่าสติมันขาดไปในช่วงใดช่วงหนึ่งตรงนี้ก็แนวพิสูจน์ได้ตรงนี้มันจะมีความหลากหลายในการสอนคนแต่ว่าจะมีผลไปในแนวเดียวกันวการที่ทรงสอนกายานปสนาสติปฐานคือการตั้งสติระลึก เห็นกายนะฮะดูกายดูกายตัวเองเนี่ยตัวกายเราเนี่เป็นที่ตั้งของความกำหนัดความเพลิดเพลินยินชมยินดีนะแต่กายคนอื่นก็เหมือนกันไปที่ตั้งของความกําหนัดขัดเคืองของเรากายเรานี่จะไม่ดียังไงก็ตามนะฮะเป็นที่ตั้งของความกําหนัดเป็นหลักกายคนอื่นอาจจะกําหนัดบ้างขัดเคืองบ้างก็ไม่แน่เฉยๆบ้างแต่กายของเราส่วนใหญ่คนก็หลงรูปหลงตัวเองนะฮะทั้งทังที่ว่า รูปร่างหน้าตาก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละยังไงมันก็หลงตัวเองไลยก่อนก็ถือว่าเป็นรูปธรรมนามธรรมมันก็ยึดติดต้วการนทั้งหมดคือคว้าจากข้างนอกแล้วก็ปรุงปรือข้างในคือกายภายนอกกายคนอื่นก็คอยควา้าปรารถนาเพื่อครอบครองกายเหล่านั้นแล้วก็ปนปลือกายตัวเองแล้วก็ทรงสอนให้พิจารณากายพวกนี้มันเหมาะสมหรับคนที่เรียกว่า ปัญหาจริตกล้านะฮะปัญญาน้อยมันจะติดในรูปหยาบหยาบซึ่งเป็นอารมณ์หยาบหยาบในกายเนี่ยเป็นสิ่งสัมผัสได้ในเห็นได้โดยตาโดยหูดยจมูกโดยลิ้นด้วยกายนะเพราะอารมณ์มันหยาบหยาบก็มีความกำหนัดเพลินเพลินให้เราสังเกตว่าความอยากของมนุษย์เนี่ยคือบางทีมันสิ่งที่ละเอียดประณี tn นะฮะบางทีเป็นศินละปะบางทีเป็นวรรณกรรมบางทีเป็นงานละเอียดอ่อน ต่างๆเนะี่ยบางทีเล่นปา่าเล่นเขาเลยโลภาจับตัณหาจัดนะเล่นปา่าเล่นเขากันเลยจับโจองนะเป็นพันๆได้เมื่อๆได้อตนนั้นก็คืออาการของตัณหาที่มันจัดและปัญญามันน้อยไปตามคุณจะเอาไปทำอะไรคุณหาเรื่องเงินเดือดร้อนนะครบครองที่ดินมันเป็นหมื่นๆได้เป็นแสนรด้มนได้อะไรึ้นมา แต่ว่าเพราะใจของคนที่มันมีตระหาจัดแล้วก็ปัญญาไม่สามารถจะแนกแยกแกะได้มันก็มองเกาะกลุมนะเช่นเช่นเราจะเห็นว่าเราก็มองรวบไปเลยว่ารูปสวยคนนั้นสวยคนนั้นหล่อเนี่ยมันมองรวบไปเลยแต่ถ้าถามม า, าเอามาแยกดูว่าตรงไหนมันสวยละ่ะและแม้แต่ว่ารวบถือเนี่ย คือทั้งคนทั้งคันทั้งหลังทั้งอะไรก็แล้วแต่ที่มันสวยนี่ตรงไหนมันสวยแต่ว่าสวยจริงๆหรือเปล่ามันมีไม่อะไรที่มันคงที่อยู่เนี่ยเป็นความถาวร ย, ยั่งยืนไม่แปรผันสวยตลอดไปเนี่ยคือไม่มีอะไรอะ่ะมันก็มีความเปลี่ยนแปลงเป็นนิรันด์แต่พวกปัญญามันมีไม่มากพอที่จะไปตัดสินวินิจฉัยเพราะงั้นใจก็ป้าไปเรื่อยๆนะฮะ ประการต่อไปนั้นเมื่อปัญหาจริตเนี่ยก็เรียกว่าเวทนานุปั ส, สนาสติปทานเนี่ยเป็นอารมณ์ที่ละเอียดคือจะเที่ยวกับกายแล้วเขาก็ละเอียดนะแต่เวทนาที่จริงก็เป็นนามนธรรมเป็นเจตสิกธรรมก็เป็นสิ่งที่บนปริจิตแล้วก็เป็นหนึ่งในขันหานะฮะก็สามารถที่จะช่วยคนที่มีปัญหาจริตแล้วก็มีปัญญาเฉียบแหลม แตณาจริตมีความพอใจติดใจรวดเพลในสุขเวทนานะฮะสุขเวทนาเราเห็นว่าใกล้ๆก็พูดฤษีพวกนักพรตทั้งหลายเนี่ยที่นั่งสมาบัติเข้าสมาชิเข้าสมาบัติทีละเจ็ดวันแล้วก็สงของท่านน่ะแ้วก็สุขของท่านนะ่แขขนนะแต่ปัญหาว่าใช้ชีวิตอย่างนั้นใช้ไปทำอะไรมันไม่ได้สาระประโยชน์อะไรอะ่ะเพราะแนวของพระพุทธศาสนาเนี่ย แม้จะผ่านเรื่องเหล่านี้แต่ไม่ใช้เวลาไปนั่งเสเวยสุขในฌานอยู่เพรามเกิดการุณาต่อบุคคลอื่นต้องการให้คนได้รับผลเป็นความสุขความสงบจากการปฏิบัติธรรมะเพราะงั้นแนวของพิสษุในพุทธศาสนากับฤาษีชีพไพรในสมัยพุทธกาลจะเห็นว่าต่างกัน คือพิสูจน์เนี่ยเหมือนกับราชกุมารที่ทรงก็ไปศึกษาศิละปะวิทยาจากมุนีฤาษีดาบททั้งหลายแล้วก็เมื่อแตกฉานแล้วก็กลับมาอยู่กับชาวบ้านมาครองบ้านครองเมืองมารวมทุกข์รวมสุขกับชาวบ้านแต่แนวฤาษีเนี่ยเป็นแนวปรีกวิเบกคือหาความสงบระแก่ตัวเองแต่ถามมันได้อะไรขึ้นมา มันก็ได้นะฮะตัวเองได้สุขได้สงบแต่เกิดมาเนี่ยตัต้องการแค่นั้นแหละเราไม่คิดช่วยเกื้อเเมนุษย์บ้างแหละทำไมให้ออกมาช่วยมนุษย์รเสีก็ออกมาไม่ไปได้นะเพราะงั้นพวกนี้มันก็กลายเป็นติดสุขเบตาณาเวทนาเองมันก็เป็นเหยือเหมือนกันนะฮะเป็นเดือเหมือนกันความสุขความทุกข์เดี๋ยมันก็เป็นเดืออย่างหนึ่งเหมือนกันสที่ทำใ ห, ให้เกิดอาการสยบติดอยู่ในที้เหล่านั้น อย่างเทวดาในติดสวรรค์เนี่ย ก, ก็แสดงว่าก็ติดในสุขเวทนาโภมติดอยู่ในโภมาโลกมันก็ติดในสุขเวทนาพวกที่ได้ฌานก็ไปติดอยู่ในฌานก็ติดในสุขเวทนาเหมือ น, นกันคือคือตัวเองนั้นได้รับความสุขเพียงลำพังแต่เราลองสังเกตนะฮะว่าถ้าต่างคนที่คนฝึกจิตมาแล้วก็ไปหาความสุขด้วยการเจริญฌานนั่นเอะ เข้าวชานข้าสมบาบัติอย่างนั้นแล้วก็มันได้ประโยชน์อะไรมันได้ประโยชน์เพื่อตัวเองเกิดมาชาติหนึงทําประโยชน์เพื่อตัวเองเท่านั้นเอไม่ช่วยเหลื อ, ค, อคุณต้งโค้งไปบ้างแหละเพราะวนนิธีการของพระพุทธศาสนาจึงแตกต่างกันคือไม่ได้ไปใส่ใจที่จะไปหาสวยสุขปีกวิเวกโดย ล, ลาพังตัวเองฮแต่ว่า เสริมกําลังตัวเองให้เข้มแข็งขึ้นมาแล้วก็ทํางานคล้ายๆกันถึงจุดหนึ่งช่นท่านที่ยังไม่บรรลุมรรคผลเนี่ยมันก็ชาร์จแบตเตอรี่กันใช่ครับหนึ่งแล้วก็มาทํางานกันต่อไปเพราะว่าจิตใจจะต้องเกิดกรุณาต่อประชาชนนะฮะต่อชาวบ้านถ้าไม่เกิดกรุณาแล้วมันก็ไม่ได้ผลใใอะไรก็ต่อไปจิตตาานุปัสสนาพวกนี้ชักจะอารมณ์ละเอียดแล้วนะฮะแล้วก็ แยกออกไปไม่มากคือมันอ่าเป็นอารมณ์ที่ประนีบเป็นนามธรรมหรือเป็นทางบริสุทธิ์ของคนที่มีทิฏฐิคือถือว่าจิตเที่ยงนะฮะจิตเที่ยงในเยอะนะฮะจิตเที่ยงในเยอะเลยแต่ว่าปัญญาไม่มากทิฏฐินั้นไปยึดถือเอาว่าจิตเป็นเที่ยงจิตเดินทางจิตเดินโรง นะสับปะชีวิตตั้งมาจากพระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างขึ้นอะไรก็แล้วแต่จะ ว, วางกันคนนี้ก็เหมาะสำหรับกรเรินจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานทีนี้คนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอารมณ์เนี่ยแยกออกไปมากเยอะธรรมานี่มันเยอะมากแลก้วเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดของคนที่มีทิฏฐิจริตแต่ว่ามีปัญญาแหลมผมเฉียบแหลม มันก็เหมาะสมกับคนเหราเนี่ยเราจะเห็นว่าในธรรมะนี่จะเอามาทั้งกุศลอกุศลทั้ง ก, างกลางงนะมาศึกษากันแล้วแต่ว่าท่านถานัดในทางไหนก็ให้ศึกษาไปในทางนั้นอีกมายะหนึ่งในท่านบอกว่าสติปัฏฐานข้อกายเนี่ยมีมิตรที่จะพึงได้โดยง่ายเป็นทางแห่งความไปสุดของพวกสมถะมีปัญญาไม่มากนะปัญญาน้อยคือตั้งใจกับว่าปัญญาอ่อนนะ ปัญญาอ่อนไม่ใช่ปัญญาอ่อนภาษาเรานะฮะปัญญาน้อยคือปัญญาไม่มากพอมันก็เหมาะสำหรับคนที่ทําใจให้สงบเพราะว่าอารมณ์ในรายละเอียดต่างๆเนี่ยจะส่งองสอนให้มองที่กายของเราเนี่ยกายที่เป็นที่กายก็แปลจริงๆก็กลายแปลว่ากุอายะนะะแปลว่าแหล่งประชุมของสิ่งปฏิกูลสกรปรกน่าเกลียดทั้งหลายเนี่ยก็มาสอนให้ดูที่กาย ส่วนเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานนั้นก็มันเหมาะสมรคนที่เป็นชาตสมะถะเหมือนกันแต่ว่ามีปัญญาเฉียบแหลงเพราะว่ามันไม่ดํารงอยู่ในอารมณ์ที่หยาบคือเวทนาเนี่สุขทั้งหลายเนี่ยไม่อารมณ์ไม่คือคื อ, ค, อคือจิตมันไม่ตั้งอยู่ในอารมณ์ที่หยาบแล้วที่กระกายแล้วเนี่ยเวทนาเขาก็ละเอียดกว่าก็เป็นนามธรรมถีงในข้อที่สามคือจิตเนี่ย ก็มีอารมณ์แยกออกไปไม่มากนะก็เหมาะสมหรับคนที่วิปัสสนาเพราะว่าจิตมันเกิดดับนะจิตมันเกิดดั บ, เ ก, ดดบเกิดดับกระดับก็ทียิบแล้วก็ปัญญาไม่มากแต่ก็เห็นได้ง่ายนะเห็นได้ง่ายของความเกิดดับของจิตแต่ว่าจะคูบควบคุมจิตจึงเกิดเห็นแจ้งเห็นความเกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยก็เห็นยากนะ พูดหรพูดได้แต่เห็นไม่ทันนึงก็ดูไม่เคยทันแล้วก็ดูทันแล้ก็ถ่ายถอนปัญหามานะทิฐิไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทิฐิทิฐิที่ทติดแน่นอยู่ในจิตในเรื่องในเรื่องใดทั้งหนึ่งแล้วข้อที่สี่คือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นมันก็เหมาะสมแก่ท่านที่เป็นวิปัสสนาญาณิก ค, คือเจริญวิปัสสนาเป็นหลักแล้วก็มีปัญญาเฉียบแหลม อุปการที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าคนเนี่ยมันงองอะไรวิปลาสหรือคลั่เคลื่อนจากความจริงเช่นว่ามันมองสิ่งที่ไม่สวยไม่งามว่าสวยงามเนี่ยพรนี้มันก็เหมาะสำหรจะดูกายตัวเองนะเห็นว่ามันกายตรงไหนมันสวยละ่ะดูปผมคนและผนหนังทั้งห้า อ, อย่างนี่ก็แย่แล้วนะร่างกายของเราเ ขขคือบงคนได้คนังคือแต่ละวันในร่างกายจะต้องชำระขัดสีชวีวันกันสารพัดยุ่งยากคุ้นวายกันมากมายไก่กองทีนี้่ออีอกแนวหนึ่งก็คือตัวที่เห็นเป็นเป็นสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์ยิ่งเหยนสิ่งที่เป็นสุขก็เป็นทุกข์เนี่ย เขรียกว่าสุขวิปลาสมันก็เหมาะสมบูที่เวทนาเห็นว่าสุขมันก็ไม่เที่ยงแท้อย่างเย็เวทนามันเปลี่ยนแปลงตลอดเป็นสุขก็เปลี่ยนแปลงทุกข์ก็เปลี่ยนแปลงไม่ทุกข์ไม่สุขก็เปลี่ยนแปลงมันจิตมันเสวยได้เวทนาอย่างเดียวในขนาดเดียวในยามสุขก็ไม่ทุกข์ในยามทุกข์ก็ไม่สุขในยามไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่ออกมาทั้งสุขทั้งทุกข์เนี่ยทีนี้คนบางทีเนี่ยไปมอง ว่าสิงนี้ไม่เท่ยงแท้แน่นอนว่เที่ยงแท้แน่นอนโดยเฉพาะไปมองที่จิตเนี่ยว่าเท่งแท้แน่นอ น, แ, น, น, อนแต่จิตเองมันก็ไม่ได้เท่งแท้แน่นอนแต่ในที่สุดมันก็พวกนี้เหมาะสมหรับดูจิตซึ่งมันเกิดดับทีเย็บเนี่ยดูได้และจะเห็นได้บางทีก็ไปงองวิปลาคัดเคลื่อเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแต่จริงๆมันไม่ได้มีตัวตนอย่างนั้น กันกรรมฐานเหล่านี้ก็ทรงแสดงออกไปโดยวิจิตพิสดารนะฮะเป็นเรื่องของกายเวทนาจิตธรรมก็ทั้งหมดเนี่ยเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายแต่ว่าในการเจริญกรรมฐานนั้นมันต้องเริ่มที่ศีลบริสุทธิ์ก่อนอย่างน้อยก็อธิษฐานศีลทั้งพระเองมันก็ต้องแสดงอบัตบาทกระทำตัวเองให้บริสุทธิ์จากอัปบัตได้ก่อน แล้วก็จะรุ่งจเจริญกรรมาฐานนะฮแล้วำดับขั้นตอนเนี่ยมีเรื่องที่น่าศึกษารายละเอียดอยู่เยอะนะฮะเพราะว่าจริงๆเราสามารถจะเรียนจากมาสติปัฏฐานล้วนๆไปได้เลยแล้วมันเชื่อมโยงหมดฮะไปเชื่อมโยงกันหมดแต่ในแง่งความเป็นจริงตัวธรรมจักรกัตมัณสูตรที่วังพูดกันเองเนี่ยพูดกันอยู่เนี่ยที่จริงมันก็เชื่อมโยงหมดแล้วที่ก็ฝันเอาไว้ ว่าถ้าหากว่ามีเวลาว่างพอนะะจะเรียบเรียงหนังสือคือมายความว่าต้องไปทบทวนไปไตรริยดกอีกรอบนหนึ่งนะแล้วก็มาเรียบเรียงเป็นหนังสือชื่อเนี้ยชื่อใต้ร่มพระโพธิญาเนี่ยโดยธรรมจักรเนี่ยเป็นศูนย์เป็นฐานเป็นฐานแล้วกระจายธรรมะออกไปจากธรรมจักรเพรากรุงเนีหาสาระทั้งหมดเพราะว่าในได้เลยเพราะว่าในในธรรมจักรมันมีอริยสัจสี่อยู่แล้ว แล้วในสติปัฏฐานเองมาสติปัฏฐานเองเนะฮะในสุดมันก็จบลงที่อริยสัจสีเป็นปริยายของธรรมะเป็นโวหารในการสอนธรรมะของพระพุทธเจ้ามันจะมีจุดบรรจบด้วยกันคือเราจะเริ่มที่สุดไหนก็ได้ก็ไม่ได้ว่ากันนะฮะแล้วมันก็เข้าเขาก็เขยื่อนไปด้วยกันจนสมมดเราจะเริงกายานุปัสสนะสติปัฏฐานเนี่ย มันก็ต้องมีความพยายามชอบมีรูลึกชอบมีจิตมั่นชอบแล้วก็ต้องมีธรรมมาวจารธรมากรรมตะสมาชีวะเป็นฐานถ้าไปอย่างนั้นใจก็จะไม่สงบ้าเป็นบหารเป็นปริยายเป็นนยะตหนึ่ง น, นิยะเด็กซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควร ก็นึกว่าถ้าเราเข้าไปที่มหาสติปัฏฐานแล้วเนี่ยแต่ไม่ได้เข้าไปพิสดารมากเราต้องพิสดารนะคุว่ากันเป็นปีเนี่ยก็นึกว่าจะเดินเรื่องมัธรรมจักให้จบนะเราคงจะใช้เวลาอยู่พอสมควรเพราะตอนนี้เรามาถึงอริยมรรณะยังไม่ถึงการการสะสรู้ว่าจะสรู้ยังไงเนี่ยเราเราก็พูดอยู่ที่อริยสัจสี่แล้วก็มาถึงอริยมรรคสมาสติอยู่ต้องฟังเท่าไหร่ ใต้ร่มพระพุทธาณในวันนี้ข อ, อยิตติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้อ ง, งามไปบุญในธรรมจะมีแดท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี